ถ้าเป็นธาตุอะตากับสีจักขู่วิญญาณก็เห็นน ะ, นะหูกับเสียงโสตวิญญาณก็ได้ยินจมูกกับกลิ่นคานะวิญญาณก็รู้เล้นกับรสชิวหาวิญญาณก็รู้กายกับโพธาภะเนี่ยนะธรรมรมณ์ก็กายกับโพธาภะกายยวิญญาณก็เกิดขึ้นนะนะมโนธาตุธรรมธาตุมโนวิญญาณธาตุในการไข้ควณเหล่านี้เนี่ยนะย่าเล่นซ่อนหาถ้าเล่นซ่อนหาแล้วมันยากเนี่ยนะ ไอ้คำว่าเล่นซ่อนหามันเป็นยังไงวิ่งให้มันทันนี่ น, นี่นี่ตาโอ้นี่สีนี่หูนี่เสียงเอถ้าอย่างไงเล่นซ่อนหามัมนยากอาแท้าถามว่าทําให้ไม่ยากทํำยังไงคิดตามคําสอนเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเออนี่ตานี้สีนี้จักขูวิญญาณง่ายนิดเดียวเนี่ยนะไม่ยากอะไรหรอกคิดแบบฉะจักกระสูตรก็ได้ อันน้รคิดอันนี้ตานี้หูนี้จมูกนี้ลิ้นนี้กายนี้ใจอันนี้สีนี้เสียงก็ค่อยไล่ยอย่างนี้ให้มันชำนาญก่อนอย่าไปเล่นแบบแมะก็มาเคยดูหนังจีนไว้เด็กๆ น, น, นะนึกขำวิธีทำอะไรให้ง่ายให้มันยากเนี่ยนะ เช่นเขาจะกินถั่วสักเล็บเม็ดหนึ่งเขาทำไงเอาตะเกียบเนี่ยไปจิบแล้วก็โยนขึ้นสูง3เม็ดขึ้นเนี่ยนะแล้วก็โยนแล้วมันมันก็เอาปากไปที่รองรับเนี่ยอู้ยกินยากกินเย็นใช่แต่แต่ละอิ่มและมือเนี่ยมันยากมนเย็นเหลือเกินเนี่ยนะทำไมต้องทําให้มันยากอะไรขนาดนั้นฉันใดาการพิจารณาเนี่ยอายตนะขันธาตุไม่ได้ยากจริงๆเลยในชีวิตจริงไม่ยากหรอกสาคัญว่ามันสาธยายลงมาในชีวิตจริงบ่อยไหมแค่นั้นแหละ คิดถึงเนี่ยสาธยายเธอเนี่ยขันเนี่ยอะไรเป็นกรุบเวทนาสัญญาเดี๋ยวมันก็ค่อยๆประพิมพ์ประพายค่อยๆเข้าใจขึ้นแล้วหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอความเข้าใจมันก็มากขึ้นเองแหละแต่ถ้าแหมเจาะลึกวิจัยละเอียดยิบเลยเนี่ยนะยากอนาคตถ้าจะไม่เจริญออกดูท่าแล้วถามว่าทําไมาบอกมันยากเน่ยนะไอ้ที่ยากเนี่ยมันยากในหัวใจมันก็เลยบอกว่ามันยากอันนนก็ยากอันนี้ก็ยากที่จริงอ่ะมันทําให้ยากเฉยๆหรอก แล้วบางทีแหมต้องแบบอะไรนะไม่รู้กติกาอะไรมาตั้งไว้ก็ไม่ทราบมันต้องให้ทันปัจจุบันไม่อย่างนั้นน่นมันนั่งนึกเอาดาวเอาโอ้ยไม่รู้กติกาพวกนี้ใครตั้งให้ก็ไม่รู้เนี่ยนะตั้งให้มันยากไปได้เนี่ยนะก็เนี่ยคิดง่ายๆคิดตามคําสอนเอะท่องไปเถอะแล้วก็ขันเนี่ยถ้าแบบจะเจาะลึกลงไปอีกขันเออมันก็เป็นอดีตใช่ไหมรูปเป็นทั้งอดีตเออรูปอดีตก็มีนะรูปอนาคตก็มีนะรูปปัจจุบันก็มี รูปภายในก็มีรูปภายนอกก็มีรูปหยาบก็มีรูปละเอียดก็มีรูปเลวก็มีรูปประณีตก็มีรูปอยู่ใกล้ก็มีรูปอยู่ไกลก็มีคิดตามดดตั๊เนียนได้ทั้งสิบเออย่างแล้วก็มีคือคือวิธีการพิจารณาถ้าใสายใจตามคำสอนไม่ยากเลยเนี่ยนะพยายามคิดมาว่าแล้ว แล้วก็ภัยสําคัญที่สุดก็คือทรงจําแล้วก็มาสาธยายลงบ่อย ๆ, ๆ, บ, อยๆบ่อยๆเดี๋ยวมันก็เริ่มคุ้นเคยพอคุ้นเคยปั๊บมันก็เป็นวิชาที่มีอยู่ในชีวิตเนี่ยนะเหมือนตัวหนังสือที่เราอ่านออกนี่แหละมันก็จะอ่านออกแล้วมองเห็นอะไรปั๊บมันก็รู้แล้วมันเป็นขันอะไรเป็นอายตนะเท่าไหร่เป็นา่าเ ท, ท่าไหร่เนี่ยนะก็แบบที่วิชาพิธรรมก็บอกว่ า, วากตีหิขันเทหิกตีหิอายตนะหิเป็นต้นเนี่ยนนอันนี้ได้ขันเท่าไหร่ได้อายตนะเท่าไหร่ได้า่าเท่าไหร่เนี่ยนะมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรหรอก แต่ที่ยากก็คือทําให้มันยากเนี่ยนะและวิธีทําให้ยากนั้นเขามาก็เก่งเหมือนกันนะชํานาญมากเลยคล่องแต่ว่ายาเลยเนี่ยนะแต่ว่าเอาให้มันทํายังไงให้มันง่ายๆเนี่ยนะแล้วก็บางอย่างเนี่ยก็พูดให้มันเป็นภาษาธรรมดาของเราซะอย่าไปทําให้มันซับซ้อนมันซับสนแล้วก็บางอย่างที่พระองค์บอกมามันไม่ยากก็ก็ไม่ยากนะอย่างทุกข์มันไม่ยากเราเจ็บปวดมันไม่ได้ยากยังอะไรเราอย่างเรื่องรูปก็เหมือนกันเนี่ยนะมันไม่ได้ซับซ้อนเหมือนเล่นคอมพิวเตอร์เลยเนี่ยนะ นั่คอมพิวเตอร์นี่จะเปิดโปรแกรมแต่ละอันขึ้นมาเนี่ยแหมมันซับซ้อนมากอุปกรณ์ที่อยู่ในคอมเนี่ยเขาเรียนกันได้ทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยก็ เ, เอามาใช้กันโว้ยวิจิตพิสดารไปหมดเรื่องสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกันถ้าเราคิดว่ามีสาระเพียงพอจริงๆก็ไม่ได้อยากเรียนอะไรมนสิการในขันธาตุอายตนะเนี่ยนะเอาเฉพาะที่หยับหยาบก่อนเนี่ยนะอย่างแม้กระทั่งแบบแบบทางโลกนี่ก็เหมือนกันเขาไม่เอาเด็กไปเรียนเรื่องแบบเทคโนโลยีนาโนอะไรแบบละเอียดยิบแบบแม้เล่นอะตอมเลยนั่นแหละ คือเขาไม่เอาเด็กไปเรียนพวกอะตอมพวกนาโนอะไรที่มันละเอียดยิบไปขนาดนั้นหรอกเนี่ยนะเพราะบางทีผู้ใหญ่เองก็ไม่ค่อยจะเข้าใจเหมือนกันฉันใดการเรียนธรรมะ ก, ก็เอาให้ที่มันง่ายๆเนี่ยมันหยาบๆก่อนเนี่ยแล้วความละเอียดมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเองนะจําให้ไม่ได้ว่าเออขันมีอะไรบ้างเออแล้วในชีวิตจริงเนี่ยขันคืออะไรบ้างอันนะที่นั่งอยู่ในแหละรูปใช่ไหมแล้วความรู้สึกนั่งแล้วเจ็บปวดเมื่อยเป็นต้นบ้างไหมนั้นเป็น เวทนาสำคัญหมายว่าสีขาวสีเหลืองสีแดงเป็นต้นก็เป็นสัญญานั่งแล้วนั่งคิดไปเรื่อยนั่นแหละโดยมากเป็นสังขารตัวที่พาคิดมันอะไรมันก็วิญญาณเนี่ยนะก็หยับๆยาบไปก่อนแล้วก็ถัดนี้เอาตาเเอแล้วถ้าแบ่งเป็นอายตนะบ้างเออมีตานะเออตาก็มีสีก็มีะนะมีหูมีเสียงมีจมูกมีกลิ่นมีลิ้นมีรสมีกายมี โพธพภะมีใจก็มีธรรมรมปันขันนั่นแหละขยายพิสดารเพิ่มก็คืออายตนะนขยายในส่วนรูปปัะขันเพิ่มก็คืออะไรถ้าบอกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไอ้รูปไม่ค่อยเข้าใจเลยเอรูปคือตารูปคือสีสนะรูปคือภาพเนี่ยนะ รูปคือหูรูปคือเสียงรูปคือจมูกรูปคือกลิ่นรูปคือลิ้นรูปคือรสรูปคือกายรูปคือโถุถะเพนะนะส่วนธรรมรมอ่ะส่วนวิวญญาณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอ่ะก็คือมโนกับธรรมรมณก็มีเท่านั้นเองนี้เอาแล้วเพิ่มพิสดารอีกเนี่ยนะถ้าเอารูปกับนามมาลงในตามทวารต่างๆได้ไหมก็เนี่ยตากับสีเกิดการเห็นหูกับเสียงก็เกิดการได้ยินจมูกกับกลิ่นก็เกิดการ จมูกกับกลิ่นก็เกิดการรู้กลิ่นหูกับเสียงก็ได้ยินเสียงลิ้นกับรสก็รู้รสกายกับโพธาภะก็รู้สัมผัสแล้วก็ใจกับนึกคิดก็เป็นเกิดความคิดขึ้นรับรู้ทรอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้สําคัญที่สุดเราเอามาคิดให้มันชํานาญก่อนให้มันคล่องแคล่วนะเหมือนกับเด็กเขียนกไก่อย่างนั้นเขียนเต็มสมุดไปหมดเลยเนี่ยนะเขียนไปเถอะเนี่ยนะพวกนี้ก็เหมือนกันก็สาธยายลงในเนี่ยตากับสีเป็นนะหูกับเสียงแล้วก็ ถ้ไม่แบบเอ้ยท่องอย่างเงี้ยมันยากไปจำพระสูตรมาสักสูตรหนึ่ง น, นะอย่างเช่นในในหนังสือบทสรรเสริญพระรัตนตรยัยวิธีคิดแบบพระพุทธเจ้าพาคิดไม่ยากเลยเนี่ยนะคิดยังไงก็คิดแบบเนี้ยฉะฉักกสูตรใช่ไหมพึงทราบอายตนะภายในหกพึงทราบอายตนะภายนอกหกพึงทราบอันนะนะั้นวิญญาณหกพึงทราบเวทนาหกพึงทราบตัณหาหกเนี่ยนะอันนะั้ แล้วก็อะไรอายตนะภายใน6มีอะไรบ้างก็ต า, ตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกหกก็รูปเสียงกลี่นรสโพธพระธรรมรมแล้ววิญญาณหละ่ะอาศัยจากู่กับรูปเกิดจากหกวิญญาณเนี่ยมันก็ค่อยๆแตกตัวขึ้นไปลักษณะนี้และสำคัญที่สุดให้มันลงในชีวิตจริงแล้วความรู้เหล่านี้มองเห็นใครปั๊บก็นึกถึงเออองประกอบของสิ่งเหล่านี้มันคืออะไรเนี่ยนะ ก็ <gaat> เป็นเหมือนกับนักเรือนะเป็นเหมือนกับนักรือจำแนกแยกแยะปริเชนแปลว่าจำแนกแยกแยะคือรู้จักวิจัยจำเนกแยกแยะเนี่ยนะชาชักระสูดไม่ให้มันอยู่ในหนังสือให้มันอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยนะมองเห็นว่าผ่าเป็นอายตนะภายใน6แบ่งเป็นอายตนะภายนอก6เนี่ยนะเป็นวิญญาณ6เป็นผัสสะหเป็นเวทนา6เป็นตันหา6มันก็อยู่แค่นี้แหละ แล้วก็ใส่ใจถ้าจะละเอียดแม้ละเอียดให้มันลึกซึ้งขึ้นจะเอาวิตกหกวิจารหกอะไรอีกเพิ่มอีกก็ได้เอาเจตนาหกเอาสัญญาหกอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกหรือจะเอาโน่นะธรรมะสอง้อยหนึ่งข้อมามาจำแนกนะพิสดานเลยก็ได้ จะเอาแบบคิดแบบโน้นนะวิจิตพิสดารแบบอภิธรรมปดกก็ไม่มีปัญหาเนี่ยนะแต่สําคัญไอ้เบื้องต้นเนี่ยมันไมาค่อยได้แล้วมันก็ไปเจาะแต่รายละเอียดคล้ายๆกับเทคโนโลยีนาโนนั่นแหละมันก็เลยคิวให้แต่ภาษาอะตอมเนี่ยนะมันไม่รู้คืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะมันก็เลยเพราะเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นเป็นต้นคือคืออย่าเอาเอาเฉพาะที่มันห ย, ยาบๆก่อนแล้วมาคิดเนี่ยนะในอตัตตกะทาสูตรหนึ่งท่านบอกว่าพระอรหันต์บางพวกเนี่ยนะ จำกำหนดรูปมหาภูต ร, รูปโดยเอกเทศท่านก็ทาที่สุดแห่งทุกแล้วเนี่ยนะมหาภูต ร, รูปโดยเอกเทศคืออะไรก็คือดินน้ำไฟลมธาตุดินถ้าไร่ดินภายในกับดินภายนอกน้ำภายในกับน้ำภายนอก ธาตุลมภายในกับธาตุลมภายนอกธาตุไฟภายในกับธาตุไฟภายนอกธาตุไฟธาตุดินภายในเป็นฉนัยก็แบบเนี่ยมหาหัตถีปโทรปรมัสูตรผมขนเล็บฟันนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นต้นคือถ้าเราฝึกทักษะให้มันเป็นชํานาญคล่องแคล่วมันเป็นภาษาเป็นความรู้สึกนึกคิดของเราไปแล้วเนี่ยนะการพิจารณาสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ค่อยยาก น, ยนะแต่ที่มันยากก็คือว่าโอ้เอาคําหนึ่งคําบอกมันผู้ก่นพูดก็บอกว่ายาก พูดจบเรื่องนั้นก็บอกว่ายากยากคำว่ายากก็อยู่หัวอยู่ท้าอยู่ในระหว่างไอ้ยากมันก็เลยยากในหัวใจเนี่ยนะยากทางวิญญาณอย่งนั้นเถอะยากทางสติปัญญามันก็เลยยากยากอะไรก็ยากไปหมดแล้ววันๆหนี่ยก็กลายเป็นว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยยิ่งเรียนไปยิ่งงงยิ่งยากกมาหลอกลงได้อะไรมั่งเออมันได้อะไรเท่าไหร่เนี่ยถ้าอย่างงี้มันจะน่าสงสารขนาดไหนเนาะเนี่ยนะเอมากันนึกในใจบอกว่าใครจะยากก็แค่ยากไปแล้วกันขอมาขอจะได้ยากอย่างนั้นเลยเนี่ยสงสารตัวเองอันะี คือมันมีธรรมะเนี่ยนะวิธีคิดธรรมะมีหลายอย่างเนี่ยจะเอาสูตรที่มันยากคิดแบบพระพุทธเจ้าคิดเองจริงๆแหละเอาวิสัยของพระพุทธเจ้ามาคิดเนี่ยนี่ยากแน่นอนยังไงก็ยากเอาวิสัยของภาษาริบุตรมาคิดยังไงมันก็ยากแต่ว่าส่วนที่พระองค์พยายามจะบอกเรานี inden, ่สิท <Libr ach. S 2> yani. ี่พระองค์ทําให้ง่ายทําให้ตื้นแล้วเนี่ยนะโดยพระธรรมต่างๆตามพระสูตรต่างๆเนี่ยก็ไม่ยากอย่างวิธีคิดบอกแม่เรื่องรูปแมมันยากเหลือเกินเนี่ยนะเราบอเอางี้สิ จำไม่ง่ายๆว่ามหาภูตรูปและรูปที่อาศัยมหาภูตรูปจําแบบภาษาพระพุทธเจ้าเลยพุทธเจ้าใช้อยู่เท่านั้นจริงๆในพระไตรปิฎกใช้ไม่มากพุทธพจน์จริงๆแล้วใช้กับคําว่ารูปและรูปที่อาศัยมหาภูตรูปอยู่เขานี้จริงๆนี่เราเห็นเนี่ยสมุทฐานนทวารตาเห็นภาพทุกคนหมดเนี่ยนะมันมีมหาภูตรูปอะไรบ้างมีดินได้ไหมเออมีน้ําได้ไหมมีลมได้ไหมมีไฟได้ไหมเออมีได้มีดินน้ําไฟลม ก็คิดหนะ่อยมองเห็นอะไรปั๊บก็ดินน้ำฝ่าลมได้ยินเสียงอะไรก็เออแจกให้มันเป็ น, ปนดินน้ำฝ่าลมซะก็ใส่ใจแล้วดินเนี่ยมันมีสีไหมมีเสียงไหมมีกลิ่นไหมมีรสไหมมีอย่างอื่นไหมมันก็ค่อยๆแตกแตกได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะนะก็แล้วแต่ปัญญาของเราแต่พยายามเออมีรูปและรูปที่อาศัยมหาภูตารูปพระพุทธเจ้ายังไม่แบ่งว่าเออเนี่ยมหาภูตรูปนี่มันมีสีประกอบด้วยนะคือการศึกษาธรรมะเนี่ยนะอยากจะแนะนําว่าพยายามคิดตามวิธีพระพุทธเจ้าเนี่ยเบาที่สุด และง่ายด้วยเนี่ยนะแล้วเราก็ไม่ต้องเสียเวลามาเล่นซ่อนหาบางอย่างว่าเรามีเวลาไปเจริญศีลเจริญสมมถะเจริญคุณธรรมอย่างอื่นมีเวลาไปเจริญสติเจริญอย่างคุณส ร, รธรรมอย่างอื่นอีกเยอะแยะเลยเนี่ยนะอันนั้นเราก็จะไม่ค่อยขัดว่าเออนี่เสียเวลาให้ทานเสียเวลาภาวนาเสียเวลาอันนั้นอันนี้ไม่มีสามารถเจริญบุญกิจกรรวัตถุศีได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยนะ มันบุญกุศลก็สามารถเจริญได้อย่างต่อเนื่องมันไม่ใช่ว่าใจจดใจจ่อแล้วเอาปัญญาที่เหมือนกับปลายเข็มไปจิ้มอะไรสักอย่างแล้วมันจะบรรลุหรอกไม่หรอกโอ้เรื่องมันไกลเรื่องมันยังอีกยาวว่ากันเถอะเนี่ยนะบางทีเนี่ยบางทีผู้ที่เข้าใจไม่ถูกต้องเนี่ยนะการปฏิบัติก็เหมือนกับเล่นซ่อนหาเอาปลายเข็มจิ้มอะไรสักอันหนึ่งนะแหมยโยนให้มันตรงปลายเข็มเนี่ยจิ้มให้มันตรงตรงนั้นปิกแล้วก็โอ้เนี่ยละปิงอะไรแบบนั้นนะ ไม่ใช่หรอกอเรื่องมันอีกลายเนี่ยนะหนทางยังหลายหมืน่นโยอดนักแร้บางอย่างเนะงั้นที่สําคัญต้องพยายามอา่าพยายามปรับความรูป้ปรับความเข้าใจไปเรื่อยๆอย่าลืมมาถามว่าการปฏิบัติในาศาสนาเราคืออะไรการทำมาสัมมาทิฐินั่นแหะทำความเข้าใจให้มันถูกต้องนั่นแหละคือการปฏิบัติเข้าใจเท่าไหร่มันก็ปฏิบัติเท่านั้นนะไม่เข้าใจอะไรเลยปฏิบัติว่าอะไรเอาอย่างแม้กระทั่งทางโลกเนี่ยนะอาชีพที่ที่มีรายได้คืออาชีพของคนที่เขามีความเข้าใจ เขาก็จะมีรายได้คนไม่เข้าใจอะไรเลยทําอะไรได้บ้างก็เดินดูภาพเหมือนการ เ, เสียตังเข้าชมนะอีกคนหนึ่งเดินไปดูแล้วพูดว่าวิจารโนนวิจารณ์นี่ได้ตั้งรายได้ตั้งหลายตังแล้วใช่ไอ้คนหนึ่งดื่มเหล้าแล้วแม้จ้างให้ดื่มแนะไอ้คนหนึ่งดื่มเหล้าแล้วแหมยิ่งจะยิ่งดื่มยิ่งหมดตัวเลยเนี่ยนะนะนะคือมันอยู่ที่ ความรู้มันจะระดับไหนก็ช่างมันก็อยู่ที่ความรู้มันความรู้นั่นแหละคือสัมมาทิฐิเนี่ยนะคือสัมมาทิฐิแล้วเราปรับความรู้ความเข้าใจคําสอนลงมาในชีวิตได้เท่าไหร่นั่นแหละเราก็รู้เท่านั้นนั่นแหละมรดกที่เราได้รับเท่านั้นเน่ยเนี่ยนะมรดกคือปัญญาสัมมาทิฏฐิที่เป็นมรรคมันก็ได้เท่านี้แหละนี่ถ้าเพิ่มมากๆ ก, ก็ฟังไปเรื่อยๆเนี่ยนะก็ะสนทนากับบางท่านบอกว่า ถ้าหากว่าเออแล้วรัตพโมแต่เรียนอย่างนี้เมื่อไหร่จะรู้จะเข้าใจสักทีหนึ่งบอกไม่ต้องหนักใจหรอกพระพุทธเจ้าท่านรับผิดชอบเราทุกอย่างขอให้ติดตามเรียนคําสอนของท่านไปเรื่อยๆเธอเนี่ยนะแล้วคําสอนคือท่านจะค่อยๆถากอย่างนั้นเถอะเธอพระพุทธเจ้าเนี่ยเปรียบเหมือนกับนายช่างปลึงพิฉลาดมากมาถึงปั๊บไม่ใช่ว่าผ่าสองสีกแบบแมมแล้วก็กะลึงขัดตัดคอไปเลยไม่ไดขนาดนั้นหรอกก็คือจะค่อยๆ เรืองะค่อยๆขูดค่อยๆขัดย่างละเล็กหลังละน้อยเดี๋ยวก็กลมกลึงเกลี้ยงไปเองแหละชันได้ถ้าหากว่าเราเรียนตามคำสอนเนี่ยนะขอให้ได้เรียนทุกสูตรเถอะนะเรียนสูตรแล้วสูตรเล่าสูตรแล้วสูตรเล่ามันค่อยๆบ่มอินทรีย์ไปเองเพราะบางสูตรพระพุทธเจ้าให้เรามีสั์ทินรีมากๆเออถ้าเราอ่านสูตรนี้จบแล้วมีสัดทินรีถือว่าประสบความสำเร็จแลว ไม่อ่านสูตรนี้จบนะั้นนึกขยันขึ้นมาเออถือว่าประสบความสําเร็จจากสูตรนี้เอออ่านสูตรนี้ไม่เผลอและเริ่มเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรบ้างแล้วประสบความสําเร็จแล้วแม้อ่านสูตรนี้นะใจเยือกเย็นขึ้นสงบขึ้นเออเข้าใจดีแท้ดีแล้วถ้าถ้าอ่านสูตรนี้แล้วเริ่มเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตมากขึน้นเข้าใจเออทุกมันเป็นอย่างนี้เองสมูทัยมันเป็นอย่างนี้เองเอก็ได้ระดับหนึ่งแล้วนะแล้วก็อา่านไปเรื่อยๆเดี๋ยวศรัทธามันก็โตขึ้นปัญญามันก็โตขึ้นสติวิสมาทิปัญญาก็ค่อยๆ โตทางความคิดเนี่ยนะโตทางสติปัญญามันก็เหมือนกับเราขึ้นสู่ที่สูงเนี่ยนะยืนอยู่ที่เก่านั่นแหละแต่ถ้าขึ้นสูงขึ้นไปเท่าไหร่ภาพมันจะเริ่มเห็นเห็นเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันสมมติถ้าเรานั่งอยู่ตรงนี้นะที่เดิมที่เรานั่งเนี่ยถ้าเราสูงขึ้นอีกหนึ่งเมตรเนี่ยภาพมองในทั่วบริเวณจะเป็นยังไงภาพมันก็ไม่เหมือนกันถ้าขึ้นไปอีกยี่สิบเมตรมองลงมาละ่ะตำแหน่งที่นั่งฐานที่เดิมถ้าสูงขึ้นอีกสิเมตรอ้า ถ้าสูงขึ้นไปอีกร้อยเมตรลนะ่ะภาพที่เห็นถ้าสูงขึ้นไปสิบกิโลล่ะถ้าสูงออกเป็นร้อยกิโ ล, ลออกไปละ่ะภาพที่เห็นมันก็จะต่างกันไปเรื่อยเรื่อยเรืยเรันใดทํายังไงปัญญามันจะเป็นอะโลกะมันสว่างไปหมดนะนะจนกว่าจะสว่างสวัยเนี่ยนะ จนกว่าแต่ว่ามันสว่างด้วยความเข้าใจเนี่ยนะเข้าใจอะไรก็เข้าใจเนี่ยในคำสอนเนี่ยนะเข้าใจในคำสอนว่าพระพุทธเจ้าพยายามจะบอกอะไรเรามากที่สุดก็พยายามคิดตามตามสูตรต่างๆเนี่ยนะสูตรไหนเข้าใจมากก็เอามาคิดมากหน่อยสูตรไหนเข้าใจน้อยหน่อยก็หาข้อมูลประกอบไปเรื่อยๆเนี่ยนะตอนหลังมาเขามารู้สึกว่าไม่ค่อยรีบเนี่ยนะเพราะมันรีบไม่รู้จะรีบทำยังไงเนี่ยนะถ้ารีบแบบลืมกระเป๋าสตางค์เอา รีบไปต่างประเทศลืมพาสปอร์ตกันลืมกระเป๋าสตางค์เนี่ยนะไม่ได้เอาสตางค์ไปพาสปอร์ตไปออกนอกนอกเมืองยังออกไม่ได้เลยเนี่ยนะใครเคยรีบมั่งรีบไปแล้วพอมาเนี่ยรีบครั้งหนึ่งเขาบอกว่าเขาต้องตรวจบัตรประชาชน ต, ตรวจใบสุตที่ใช่ไอ้เราก็รีบไปแล้วพอดีมันลืมใบสุตที่นะโอ้ยําไงคะนี่ดีได้ลุงเรืองไปด้วยไปรับรองให้หน่อยเขายัางชั่วหน่อยแหมรีบจับจนลืมดีนะถ้าลืมตัวแล้วก็แหมหนักกระกระ มันก็หลายๆอย่างมันเป็นอย่างนั้นนะนะบางอย่างก็ทำความเข้าใจให้พร้อมเธอหาข้อมูลหาความรู้คือศึกษาธรรมะเนี่ยนะไอจะรีบเร่งเกินไปมันก็ไม่ใช่ไอจะเฉยมันก็ไม่ใช่เรื่องหาความพอดีของแต่ละเรื่องให้พบเนี่ย น, นีมันยากเขาบอกว่าสิ่งที่แทงตลอดได้ยากคือสับปริสธรรมเจ็ดแทงตลอดยากนะ จะเข้าใจว่าอะไรเป็นกาลันอยู่ทำมันอยู่อัตตันอยู่ปริสันอยู่ปุคลันอยู่ที่จะรู้อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลอะไรเป็นประมาณควรจะแค่ไหนอย่างไรเนี่ยนะไอ้ความพอดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หายากเข้าใจยากพอสมควรเหมือนกันมันหาความพอดีของตัวเองให้พบเนี่ยนะแค่ไหนตัวเองเข้าใจว่าหย่อนยานไปหน่อยแค่ไหนไอ้นี้มันมากไปมั้งเออตอนนี้เออเนี่ยพอดีสังเกตจากอะไรรู้ไหมเราเรา เราเจริญกุศลธรรมเราพอจะ ก, กำหนดนี่นี่มันหย่อนไปหน่อยแล้วนะนี่มันเกินไปแล้วนะเออนี่ยแค่อย่างนี้สิพอดีจําแนกได้ไหมเมื่อใดที่มีความรู้สึกว่าทําไมมันอืดเหลือเกินถ้าเรามีความรู้สึกว่าอย่างนั้นเนี่ยนะนั่นแหละแสดงว่าเราช้าแล้วนะถ้ารู้สึกว่าอืดแต่ถ้ารู้สึกว่าฟุ้งเมื่อไหร่แสดงว่าเลยแสดงว่าเลยทง